รู้เฉพาะตนโดยดังตรินตอนที่22ดูทีไรเสียดายทุกทีกรณีเฉพาะตนของสมนัตอาชีพพักงานทางโลกลักษณะงานที่ทำเพียรเพื่อพ้นทุก